ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุงกำลังนำเสนอเจตวรรณสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระเชตวันเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของท่านอนาธบินเดกะเทพบุตรคือหลังจากท่านตายไปแล้วบังเกิดเป็นเทพบุตรสวรรค์ชั้นดาวดึง แล้วก็ไม่สวยทิพ ย, ยสุขบนสวรรค์ัน ด, ดาวัเดิกก็รีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในทันทีทันใดก็ได้กราบทูลแสดงความรู้สึกของท่านประค่าแต่พระผู้มีพระภาคประเทศตบวันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งหมูลฤษีเป็นที่เสด็จประทับแผงพระผู้มีพระภาคจ้าผู้เป็นธรรมราชาถ้าไม่เกิดปีติแก่ข้าพระองค์ บุคคลทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยการกระทำวิชาธรรมศีลแล้วก็ชีวิตอันรุดมไม่ใช่บริสุทธิ์โดยด้วยโคตรสกุลหรือว่าโดยทรัพย์ซึ่งก็มีในยะดังที่ได้อธิบายมาแล้วก็ความต่อไปท่านกล่าวว่าเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเล็งเห็นประโยชน์ของตนก็ควรเลือก เว้นธทำโดยทางถูกต้องประการกระทำอย่างนั้นย่อมทําให้บริสุทธิ์หลักการเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักการที่สําคัญความเป็นบัณฑิตนั้นก็มีเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเอาไว้เมื่อการโดยสรุปแล้วก็ใครก็ตามที่สามารถทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่บุคคลอื่น ตลอดถึงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตโดยความหมายก็คือผู้ฉลาดในประโยชน์รู้จักเว้นในสิ่งที่ควรเว้นประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติบางครับ้บาคราวก็ส่งแสดงคุณสมบัติไว้เป็นนันมากแต่ถ้าสรุปจับประเด็นง่ายๆก็คือว่า เป็นผู้ครองชีวิตโดยสุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็อีกแหละก็คือไม่อื่นไปจากหลักของอริยมรรคสังเกตว่าคนเริ่มเป็นบัณฑิตตั้งแต่ศีลหรือหมายความว่าตั้งแต่งดเว้นจากการละเมิดสิทธิในชีวิตทรัพย์สินคู่ครองคนอื่นแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จ ก็ถือว่าเริ่มเป็นบัณฑิตกันตรงนี้ทีนี้กรอบของบัณฑิตเนี่ยมันกว้างขวางมากก็จนถึงพระริยบุคคลก็คล้ายๆกษัตริย์บุ ร, รุษคล้ยๆกับเมชีคล้ายๆกับนักปราชญ์ขัเหล่า น, น, นี้ที่จริงมันมีเบื้องต้นแล้วก็มีเส้นทางจนถึงกับเบื้องปลาย มุงปลายนั้นจะไปจบลุงชี่อรหัตคุณคือหมายความว่าได้สมบัติผลสูงสุดจากการประพิปฏิบัติแต่เราก็อาจจะจับประเด็นง่ายๆนะว่าท่านยังไงจะดำรงตนอยู่ด้วยปัญญาเพราะบัณฑิตก็คือคนที่ใช้ชีวิตโดยอาศัยปัญญาเป็นหลัก ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาสอด ส, ส่องในประเด็นตรงนี้ท่านอนาิบินเิกะเทปะบุตรก็กล่าวเฉพาะระดับของโยนิโสมนสิการบาลีคำว่าโยนิโสวิจเนธรรมเลือกเฟ้นธรรมโดยอุบายวิธีที่แยบขายดูแล้วไม่น่าจะยากแต่ก็มันยาก เพราะว่าภายในใจิตใจของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการรับอารมณ์ในแต่ละวันของสังคมปัจจุบันมั น, ป เ, ปนเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งสร้างขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายแล้วจะกระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะกระตุ้นโมหะนี่จะเป็นหลักกระตุ้นโทสะก็เยอะมาก สร้างความแตกแยกสร้างความร้าวฉานในบ้านในเมืองนี่เยอะมากๆากเพราะในชีวิตแต่ละวันแต่วันเนี่ยเราก็สะสมสะสมเชื้อของกิเลสซึ่งมันมีเชื้ออยู่ก่อนและสะสมขึ้นทุวันทุวันจิตมันก็เสียความสมดุลคือปริมาณของกุศลไม่เพิ่มเท่าที่กวรในขณะที่อกุศลเพิ่มขึ้นไปเรื่อย พาการมองทั้งหลายเนี่ยถ้าขาดความแยบขายแลวจะยากมากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมบนสีทองขาวก็ ข, ขอสัมภาษณ์เรื่องเหตุการณ์ในจังหวัดพักได้แต่จากการสังเกตเหตุการณ์ในจังหวัดพักได้เนี่ยก็รู้สึกว่า มันจะมีแผนซ้ำาๆซักซากแผนยืมดาบฆ่าคนแผนล่อเสือจากทาแล้วก็แผนเอาซ่อนดาบในรอยยิ้มก็ซ้ำๆ้ซักษากกันแต่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ว่ามันไม่ยอมหยุดตั้งแต่ 4 7, 4เจ็สี่แปดสี่เก้านะี่เก้าก็เข้ามาตั้งครึ่งปีกว่าละมาเริ่มมาเริ่มต้นที่วันที่สองมกราคมขโมยปืนที่ของพลพัฒนาของพันพัฒนาเนี่ยเพราะงั้นถ้าถ้าเราสังเกตข้อมูลต่างๆ เ, เราจะเห็นว่าแนวยืมดาบฆ่าคนนเยอะ แล้วก็แนวสร้างความระแวงระหว่างศาสนกสองศาสนาบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอย่างในกรณีของการฆ่าครูซึ่งกำลังสอนหนังสือแต่งชุดเหลืองแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปสัมภาษณ์ว่าก็ฆ่าเพราะความเป็นชาวพุทธมันง่ายไปหน่อยนะพูดง่ายไปหน่อย เพราะว่ามันไม่มีมาตรวัดที่ชัดเจนว่าเขาฆ่าเฉพาะพุทธหรือว่าอิสลามเขาก็ฆ่ า, า, าแต่ตัวเลขเหล่านี้ที่จริงเราก็ไม่รู้นะฮะว่าคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเป็นอิสลามมากกว่าหรือว่าเป็นพุทธมากกว่าจะ่สุปแล้วก็ตายทั้งสองศาสนาเพื่การฟังข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้มันต้องมีการพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยบกาย มันก็ตกไปเครื่องมือของฝ่ายจงกันข้ามได้ยังมีข่าวแพร่สะพัดแล้วก็มีคนบอกมาพระก็มีครูก็มีนะชาวบ้านก็มีบอกมาก็ให้ข้าหัวคนที่ฆ่าคนซึ่งสูมเสือเหลืองก็หมายความว่าดึงสถาบันประมากษัตริย์ลงมาแล้ว แล้วก็สรุปว่ากรยำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทีเดียวเพราะการคิดใขคร่ครวนไปจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันอยู่ทระบบการศึกษาการศึกษาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเราจะเห็นว่าในเรื่องคมว่าปูสูตรเนี่ยแต่ก่อนเราพูดทั้งสูจิบุริ โดยการต่อมาเราก็พูดเราเรียนในรู้ด้วยจำทำไม่ได้ใช้เป็นหรือแม้แต่ทำการงานเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นหรือความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีมีคุณธรรมอะไรก็ตามฮะสรุปว่าในแต่ละข้อนี้มีการคิดแต่จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนว่าคือเราไม่ส่งเสริมสนับสนุนความจำ บมืก่อนได้ยินท่านปราทรวงพูดไปในทํานองคือสมเด็จพระเทพท่านไปติงว่าการสาเบเนี่ยเด็กไม่มีคำครองจองซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างพระบางองค์ท่านเทศมีถ้อยคำที่ครองจองเป็นความสละสลวยทางภาษามันก็เป็นเาเรียกว่าภาพพจน์คือหมายความว่าพจน์จะมนสร้างภาพได้ เด็กเวรนี้ใช้คำเหล่านี้ไม่ค่อยได้เพราะคําเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องจำเจ็ดพวกขยานทั้งหลายหรือว่าพวกแม่ทั้งหลายเนี่ยฮะไม่กุงไม่กล้ว ไ, ไม่เกยอะไ ร, ะรต่างๆ่นหลวงทองว่าทุกวันเขาก็ไม่นิยมในลักษณะนั้นก็ท่านบอกว่ า, าที่ทุ่งติงการจํานั้นคือจําในกรณีท่อง ก็ตขึ้นความคิดที่แปลกเพราะการศึกษาที่จริงของมนุษย์เนี่ยคือถ้าเราดูว่ามันเป็นขันห้าเนี่ยคือเราใช้ตาดูหูฟังเป็นหลักใจคิดแล้วก็นอกนั้นมันต้องชนเลยหมายความว่าจมูกก็ต้องดมเลยลิ้มก็ต้องลิ้มเลยกายก็ต้องจับต้องเลยแต่ว่าตาดูหูฟังเนี่ยแต่มาเคย สอนเด็กาตาดูหูฟังปากอ่านใจกำหนดเด็กกระถาไม่ธีสร้างความจาบอกเธอใช่ทีตาดูหูฟังปากอ่านใจกำหนดหมายความระดมประสาทสัมผัสลงไปในจุดเดียวกันเนี่ยตาก็ดูไปหูก็ฟังเสียงตัวเองแล้วก็ใจก็กำหนดข้อความเหล่านั้นปากก็อ่านไปมันก็เกิเกิดสมาธิ เพานแนวที่จะสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนที่จะนำไปสู่การพินิพิจารณาเนี่ยการศึกษาในระบบของบัณฑิตก็คือที่เราเรียกว่าปริญญาหรือแม้จะเรียกปัญญาก็คือกันนะปัญญานั้นก็เรียกยาตะปริญญาคือการเรียนรู้ด้วยทางประสาทสัมผัสผ่านระบบ ตาหูจมูกลิ้นกาใจแล้วก็จำแล้วก็แม่นยำในขณะเดียวกันมันก็เป็นตรรณปัญญาคือนำมาคิดคิดสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่มาสัจจันธ์ทางจิตคือมีเรื่องเยอะที่เราเราไม่เคยรู้มาก่อน แต่ว่าพอมีคําถามขึ้นมีปัญหาขึ้นเนี่ยเราแก้ได้มันแสดงให้เห็นถึงว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราสะสมอยู่ในจิตสันดานของเราเพียงแต่ว่าไม่มีตัวกระตุน้นเลยไม่ออกมาพอ ม, มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกไปตัวเนี้ยปัญญาระดับเนี่ยมันออกมามันเกิดจากการสะสมที่เรียกว่าสะสมจิตสันดานสะสมอยู่ภายในจิต แล้วก็ติดอยู่ภายในจิตผ่านภบชาติตรงนี้ในวกาสต่อไปก็กลายเป็นวาสนาเป็นวาสนาเป็นบารมีแล้วก็พร้อมที่จะดึงออกมาได้โดยสมบูรณ์เมื่อท่านบรรลุอาสวะขยานดังนั้นการสาจึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีติรณบเบรญาคือต้องนำมาคิด คิดแต่ได้คิดแต่ดีคิดแต่เป็นคิดแต่ชอบคิดแต่มองรอบด้านไม่อยากตัดสินใจอะไรง่ายเกินไปก็เวลาเนี้ยพยายามที่จะคุยใครที่พอเราคุยได้เนี่ยก็จะคุยกันบางครั้งบางคราวก็อัวข้อในการบรรยายเนี่ยมันไปเข้าทาง เราก็พยายามเสนอประเด็นในการคิดเนี่ยคือบางครั้งบางคราเราคิดตลอดสายไม่ได้หรอกจะมีคําถามเรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายเกิดตายสูดเนี่มันจะซ้าซากถามชวดนานตาปีไปที่ไหนเราก็เจอคําถามในลักษณะนี้บอกว่ามันไม่ต้องคิดมากอนะครับโดยคิดว่านารกมันก็คือผลอยากทำชั่วสวรรค์ก็คือผลอยากทำดีเราคิดขนาดเนะี้ย หมายความว่าถ้าเราทำชั่วเราก็ชั่วในขนาดนั้นนหะทาดีเราก็ดีในขนาดนั้นแล้วก็มันยกยอดไปเราอาจจะช่วยคนเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วต่อมาก็มีคนช่วยเราหรือคนคนนั้นเองสานึกคุณของเราเราก็มาช่วยเหลือเราเมื่อมีปัญหาเพราะในกฎของกรรมเนี่ยมันที่จริงมันพิสูจน์กันได้อยู่ตลอด แล้วข่าวคราวเหล่านี้ต่างๆเนี่ยถ้าเรามองในอีกมิติหนึ่งนะฮะมองในมิติของกระบวนการทางจิตเราก็จะเข้าใจอะไรได้แทนที่จะมองเฉพาะด้านเฉพาะมุมคือมองมันทุกแง่ทุกมุมให้เราสังเกตว่าเวลาพระเจ้าส่งแสดงธรรมะในแนวเสริมใหคิดเนี่ยอาจจะมีสิ่งปรากฏอยู่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะทรงแสดงเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็น สด้านหรือบางทีก็สี่เลยไหนใช้พูดต้นดอกไม้ดอกไม้บางชนิดสมมุติว่าถือดอกกุหลาบอยู่ดอกกุหลาบรูปก็สวยกลิ่นก็หอมมันก็แสดงว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นดอกไม้ที่รูปสวยกลิ่นหอมมีดอกไม้ชนิดหนึ่งคือรูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมตัวกันข้ามเลยดอกไม้ชนิดหนึ่งรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมเช่นดอกสับา เดี๋ไม้อีกชนิดเดิมรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมเช่นดอกล้มแมวดอกอะไรต่ออรต่างๆมันก็กลายเป็นโมเดินในการคิดโมเดนในการคิดก็คิดไปในเรื่องอะไรได้เรื่อยอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าพระบะรรรมมาชองงการขรขับทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ถ้าเราคิดแค่ยหญคิดย่อคิดขยายเราก็คิดได้เยอะ ก็เมื่อตอนเดือนต้นเดือนกรกฎาคมก็ได้ปัญยายออกอากาศในรายการโมเดิร์นไนทีวีก็ปรากฏว่าธรรมสภาเข้าไปทำเป็นดีวดีแล้วก็ทำเป็นหนังสือเผยแพร่ก็ในประเด็นตรงนี้เป็นมาลัยครองใจคน เ้วครองชีวิตโดยธรรมเราก็สามารถจะคิดจากจากอะไรก็ได้แล้วนึกตัวอย่างพระพุทธเจ้านั่นท่านท่านก็คิดจากของธรรมดาสามัญที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติน่คิดได้คิดไ ด, ค ด, ได้คิดได้เป็นเพะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปะหะปริญญา คือเรามีความชัดเจนว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดีชั่วเสื่อมจเจริญสุขทุกเนี่ยแยกให้ชัดเพราะนันมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละก็อยู่ที่สัมมาวั ย, ยามะเหมือนเดิมคือหมายความว่าส่วนไม่ดีเนี่ยเราก็ป้องกันกับบำบัดหมายความถ้ายังไม่เกิดก็คือป้องกันที่เกิดแล้วก็บำบัดทีนี้ส่วนที่ดีเนี่ย ยังไม่เกิดเราก็สร้างให้เกิดที่เกิดแล้วก็พยายามรักษาไว้วันก่อนได้มีคนคุ้นกันโทรศัพท์มาคุยแล้วก็สอบถามถึงงานการต่างกับเขาหน่อยหนึ่งเราอยู่ในด้านสื่อสารมวลชน ก็ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ที่รุนแรงเขียนรุนแรงบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยซึ่งปรากฏว่าไม่พอจำนายถ้าท่านหลายได้นึกถึงปรกากฏการณ์ทางสังคมสมัยยันตระมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งคือคือเริ่มจะจะไปไม่รอดแล้วพอไปเล่นเกมยันตระเข้ามา กลายเป็นหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอยู่ระดับสามของประเทศหมายความยังไงหมายความว่าสังคมนั้นนิยมความรุนแรงแล้วก็ขาดหลักของอยนิโสมนสิกาขาดหลักระบบการคิดการพินิจพิจารณาการหาเหตุผลออโดยสมมติฐานว่าทึ้งเรื่องั้งมดที่เกี่ยวกับยันตร์นั้นจริงเราเสียหายอะไร เราไม่เสียหายอะไรแกก็ตกนรกของแ ก, กคนเดียวแต่เราไปอ่านเรื่องอย่างนั้นแล้วจิตใจเราก็ขุนแล้วเกิดแหนงใจเกิดรังเกียจเกิดสงสยัยเกิดเหมารวงพระไปทั่วประเทศทั่วโลกพระเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างโน้นเราก็ตั้งมงก็ตินทาด่าทอวจีก็สุดจริตรวจีก็สุดจริตมโนก็สุดจริต แล้วบางครั้งบางคราวก็มีการคว่างป่าก็กลายเป็นก า, การกรทุ้ดจริอันนี้คือคือเราขาดระบบ ก, การคิดอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเราใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วกว็าตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่เขาชั่วจริงเขาก็เป็นไปตามกรรมข่าวทำไมเราจะต้องขอโดยสารทาชั่วกวับเขาถ้าเขาชั่ว ทำไมเราไม่ใช่ความเพื่อเขาไปบทเรียนเพื่อจะสำรวมระวังไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นก็ตกเหวเราไม่จำเป็นต้องตกเหวตามเนี่ยและในกรณีนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องการทางการเมืองก็เคนคนเคยเอาซีดีดีวีดีอะไรมาให้ดูมันก็ไม่ดูหรอกเพราะว่าเราดูที่หนังสือพิมพ์ก็ดูนิดหน่อยเราก็รู้ละมันเป็นการรั บ, บาบ ความแค้นมันเป็นวิหิงสามันเป็นอาฆาตพยาบาทมันเป็นเบียดเบียนซึ่งในกรณยันตรเนี่ยจนทุกวันนัข่าวไม่เคยยกทีมไปสัมภาษณ์อาตมาเพราะนั้นไปกันเจ็ดฉบับอามาบอกหนุหนุนัถือศาสนาอะไรบอกนักถือศาสนาพุทธถามววิธีการที่ชาวพุทธกระทำต่อภิกษุในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เหรอ ตอนก็ทําดีเนี่ยเราได้ดีอะไรกับเขาตอนตอนเขาทาชั่วเนี่ยทให้เราจึงกระจายความชั่วมันก็คล้ายๆกับว่าโครนมันมั น, ม, นมันกองอยู่ที่หนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไปเกลียให้มันเปื้อนเยอะไปหมดเลยเร น, นี้เราบาทะเลาะ ก, กันต่อหน้าต๊ะหมูบูชาจากการล้มไปแล้วเชิงเชียนล้มไปแล้วพระพุทธรพระพุทธรูปก็างเองียงเราได้อะไรอ่ะ เราก็ได้สตางแต่เราสร้างตราบาปขึ้นในแผ่นดินเหมือนเป็นวิกฤติศรัทธาเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าคนมีวิกฤติศรัทธาเท่าไหร่และในที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะห่างเขินจากศาสนธรรมแล้วก็เป็นบาปให้คนเราเองคือคนเราถ้าทําดีไม่ได้อย่าทําชั่วแต่ดีก็ไม่ทําแล้วก็ทําแต่ชั่วเนี่ยมันสร้างบ่ดกบาปขึ้นบนแผ่นดิน เด็วก็ตายต า, ยตายก็ไม่ได้ไปอยู่อย่างที่ธนนานาตะบินนิก็เสรีฐอยู่มันก็ต้องอยู่ในนรกก็หลายปีมาเนี่ยไม่ยังไม่เคยมีนักศึกษายกชีมไปสัมผัสอย่างนั้นตอนนั้นก็เจ็ดฉบับนี่คือคือปัญหาที่เรามองเห็นว่าสังคมเนี่ยขาดวิจารณญาณก็ไม่ได้มากหรอกแต่ว่าอย่าลืมนะฮะคนร้อยคนนี่ขาดวิจารณญาณสักสามสี่คนนี่ก็ตายแล้วยุ่ง สามารถปวดบ้านปวดเมืองได้แล้วเรืงคำกล่าวของเทพบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าฟังว่าเมื่อบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเลีเห็นประโยชน์ของตนก็ควรเลือกเฟ้นธรรมโดยทางถูกต้องอย่างที่บอกว่าพระปตาจารเทรีภิกษุณีท่านเตือนสติอย่างดีเรามาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนเราจากโลกนี้ไปได้วยกรรมของตน การกระทำของคนอื่นถ้าเขาทำชั่วก็เราก็วางใจเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปซ้ำเติมเขาหรอกไม่ต้องขอโดยสารทำชั่วกับเขาหรอกถ้าเขาทำดีเราก็อนุโมทนาเห็นไหมการกระทำของคนอื่นที่จริงเป็นเหตุเราทาบุญได้เยอะเลยแต่ว่าส่วนมากแล้วเราจะกระโดดลงไปในหุบเหวของความเลวร้ายต่างๆ แต่ที่จริงอะไรมันวัดทางนั้นนะเช่นว่าภาพยนตร์กรุ่แรงภาพยนตร์เช่นอะไรจะบูรังปราณทั้งหลายเนี่ยภาพยนตร์อะไรก็ตามนะของจีนก็ดีของฝรั่งก็ดีของไทยก็ดีบูรังปราณซึ่งมันเป็นความสะใจในสัญชาตญาณดิบที่มีอยู่ในใจมนุษย์มันก็สร้างความรุนแรงแล้วคนก็นิยมชื่นชอบจะทําเงินได้มากทุกคราวไป ในขณะเดียวกันก็ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโป๊ะเปืปือยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะทำเงินได้มากหมายความว่าสังคมนั้นออถูกดึงดูดไปให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของวิหิงสาที่มีอยู่ภายในใจของกา ร, ราคะที่มีอยู่ภายในใจของโลภะที่มีอยู่ภายในใจ ท่านเราสังเกตแล้วท่านท่านท่านอนาตบินติกาเทพบุตรเนี่ยคือท่านยกจิตขึ้นเหนือความนิยมในในทางโลกที่ไปให้ความสำคัญแก่ทรัพย์แก่ชาติสกุลแก่ฐานะแก่ตำแหน่งแก่ชั้นยศแก่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสมมุติทางนั้นแล้วก็ไม่ใช่มาตรวัดว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดี อาจจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้แต่เขาดีในเรื่องอื่นไม่ชะดีเพราะเงินหรือไม่ชะดีเพราะสายสกุลหรือไม่ชะดีเพราะวันนั้นวณนนี้แต่เขาดีเพราะเขาทำดีก็พูดดีก็คิดดีอย่างอื่นมันเป็นเงินอย่างอื่นมันเป็นตระกูลอย่างอื่นเป็นตําแหน่งอย่างอื่นเป็นชั้นยศต่างๆมันไม่ใช่เรียกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการทําดีได้ในขณะเดียวกันเนี่ย แต่จิตนันไม่พัฒนาก็เป็นเครื่องมือในการนําชั่วได้เหมือนกันเพราะนัการใช้หลักโยในโสมริการคือระบบการคิดคิดรอบข้อรอบด้านคําถามที่จะตอบไปได้ก็คือว่ามันได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เน้นเรื่องรูปปิมฉบับนั้นอ่อนก่อนเนี่ยมีคนก็ซื้อถวายมาก็เปิดดูผ้าหัวหน่อยแล้วก็เปิดดู เราก็เห็นว่ามันกิจใจถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสทัางฟังจะ่าไปยังไงไมท่ทราบ น, นะามาว่ า, าจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเราถ้าเราอ่านหนังสือเราฟังอะไรก็ตามนะเราฟังก็ตามเราอ่านก็ตามเราดูก็ตามเนะี่ยมันมีรังสีอมยิตอยู่ภายในเรื่องเหล่านั้นนะ่มันจะร้อนนะฮะเช่นหนังสือบางฉบับ เราเห็นอหังการมะมังการอคนเราเราสัมผัสได้ว่าประกายอมมาหิตมันมันไปลวงเป็นปลายลักษณ์อักษรออกมาในตัวตัวอักษรที่เขียนเนี่ยเพื่อคำพูดของคนก็ดีหรือว่าถอดเทปออกมาแล้วเราก็จะเห็นประกายของความอมมาหิตความรุนแรงในภาษาตรงนั้นเนี่ยที่ใช้อย่างนั้ น, นี่ย แต่ถ้าฟังละยิ่งเห็นชัดเลยนะเพราะว่าโทนเสียงเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงสภาวะทางจิตของคนที่พูดวาจาในลักษณะนั้นเพราะหลักการสำคัญก็คือว่าได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามสุดดมก็ตามลิ้มก็ตามจับต้องก็ตามหรือเหนึกตึงลึกก็ตามต้องมีโยนิโสมนสิการบุตแล้วก็เรื่องอะไรที่เราไม่มั่นใจในฐานข้อมูล อย่าเพิ่งปรงใจรับหรือปฏิเสธประการตัวเนี้ยประการแบบบัณฑิตพระเจ้าทรงใช้ในภาคสนามว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องสรรเสริญคนที่ควรยกย่องสรรเสริญเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การสรรเสริญสแสดงว่าเราไม่มองที่คนเรามองที่กรรม ที่เรายุ่งเหยือเนี่ยเรามองที่คนเราไม่นั่มองที่กรรมแล้วก็พอเข้าอากกรรมไม่ดีมาไปใส่ให้คนดีแต่เราก็ไปเชื่อไปเชื่อวไปอย่าลืมว่าคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนั้นตัวเองก็เป็นคนชั่วพระนิธากล่าวฮนะใส่ได้ไป้ายสีเป็นวิจีทุจริตเป็นคําหยาบ แล้วก็มีเยอะบางทีมันหมดเลยวัจจีทุจริตหมดเลยเป็นเรื่องเท็จบ้างเป็นเรื่องยุยงให้เกิดความแตกแย ก, กบ้างเป็นเรื่องความหยาบคายร้ยกาศบ้างเป็นเรื่องไร้สาระบ้างทีนคนเราถ้าพูดเท็จแล้วเนี่ยไม่มีหรอกที่เขาทำช่วยอย่างอื่นไม่ได้ถึงแม้วันใดวันหนึ่งเขาจะมาพูดธรรมะมาแสดงธรรมะมันก็ธรรมะมีที่ปากแต่ไม่มีที่ใจ ควาพุทธยานั้นเราจะเหง น, นธรรมะอยู่ที่ประเทศไทยก็จะธรรมะจากไทยธรรมะจะต้องสะท้อนถึงความรู้ความบริสุทธิ์ใจความเมตตากรุณาลองสังเกตว่าพระจาหบรมราองบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมที่สเสด็จออกสรีหาบัรชนเป็น ความกรุณาต้องการจะเห็นประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการประทุษร้ายกันเดี๋ยวก็ตั้งจิตไว้ที่เมตตาคิดด้วยเมตตาทำด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาก็ต่อคนทั้งหลายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ทั้งไปบนระบบโยนิสมฆ์ราการอย่างถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เราต้องใช้เยอะนะทรงใช้ว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัางวิปัสสติเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยอุบายวิธีที่แยบคายแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์จะเห็นประโยชน์หรือจะได้ประโยชน์ด้วยปัญญาเพราะนั้นท่านอย่าลืมต่อมาว่าท่านทัต น, นาทบินทิกะเนี่ยก่อนท่านจะตายเนี่ยท่านได้ฟังธรรมะระดับวิปัสสนากรรมฐานจากภาษาดิบุตรีระ เพท่านจะตื่นเต้นมากท่านจะดีใจมากโอ้โหพระพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้การเข้าถึงสัจธรรมลึกซึ้งได้ขนาดนี้ซึ่งท่านไม่เคยฟังมาจากสานักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถึงเทศไปท่านก็ได้แค่นั้นแหละแล้วก็รอความพร้อมเพราะงั้นตอนที่ท่านป่วยก็ทรงรู้ว่า ขณะที่บินดิกาเศรษฐีจะตายก็ส่งพระสารีบุตรไปเทศให้ฟังในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานผลจิตใจก็ได้ก็ชื่นชมในตัวพระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าภิกษุที่ขําฟังได้ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยความส ง, งบอย่างยอดเยี่ยมมีเพียงพระสารีบุตรเท่านั้นในตรงนี้สำคัญนะฮะ สำคัญมากว่าเป็นการยืนยันคล้ายๆจะไปเสกคนอื่นแต่อย่าลืมนะฮะว่าจริงๆในจุดนี้พระสารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาท่านเป็นอากษ า, าวกคือรองลงมาจากพระพุทธเจ้าตอนท่านพูดเฉพาะภิกษุไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าภาษานั้นเขาเรียกว่ามั น, ม, นมีความเป็นเป็นลอยิกคือหมายความว่ายืนยันเฉพาะส่วนไม่ใช่ว่าไปยืนยันทุกส่วน ก็ยอมรับว่าพระอื่นก็เหมือนกันคือว่าข้ามฝั่งได้ด้วยปัญญาคำว่าฝั่งเนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นการมองจากโอคะคือหลัการศาสนานี่จะใช้ธรรมชาติ เ, เป็นสื่อมนุษย์เราเนี่ถือว่าหมุนวนอยู่ในสังสารวัตบางทีก็เรียกว่าสงสารสาคอน เพราะในประเทศอินเดียเนี่ยพูดเรื่องสมุทรพูดเรื่องแม่น้ำเนี่ยมันจะเยอะมากตูกง่ายแล้วก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่ตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยมันจะถูกกระแสน้ําพัดหมุนพัดผันได้จะสูญเสียการสุกตัวเพราะงั้นเวลาเราตกลงไปในกระแสน้านําตรงนี้มันก็จะต้องพยายาม ไหว้ขึนฝั่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างเนีพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยคำว่าโสตาปันนะเนี่ยแปลว่าพูดถึงกระแสะคือถึงฝั่งแล้วกลับมาว่า้อยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็ขึ้นฝั่งได้ก็พูดถึงคนที่อยู่ในน้ําว่าตกลงไปในน้ําแล้วก็จมหายไปเลยผูหนึ่งก็จมไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ตกลงไปอีกก็โปรโปรโปร ผู้หนึ่งพอประคองตัวอยู่ได้ลอยคออยู่ในกระแสน้าแล้วก็บ่ายหน้าไปทางฝั่งอีกผู้หนึ่งก็ไหว้ไหว้ใกล้ฝั่งผู้หนึ่งก็ขึ้นไปถึงฝั่งนะเราจะเห็นว่าผู้เราก็อยู่แถเนี้อยู่แถวที่บ่ายหน้าขาหาฝั่งหรือไหว้ขาหาฝั่งหรือใกล้จะถึงฝั่งแต่พอขึ้นฝั่งเนี่ยเป็นประสบดาบัน ทีนี้ในมหาสมุทรในแม่น้ำในมหาสมุทรเราต้องเผชิญหน้ากับอันต ร, รายแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกนะอันต ร, รายตรงนี้จะเน้นที่กิเลสประเภทโลภะกัทโศสะซึ่งเป็นกิเลสที่อาการมันมั น, ม, นมันเยอะมากเราจะดูที่อินทรีย์สังวรก็จะพูดเรื่องยินดียิ น, ย น, ยนร้ายพูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรก็พูดถึงอภิชาโทมนัสก็คือกิเลสประเภทโลภะราคะโทสะ ทั้งหมดที่จริงมันมาจากโมหะแต่โมหะมันดูยากเพราะอาการของโลภอาการโธสอาการราคะนี่จะดูง่ายแล้วก็สื่อสารง่ายเพราะฉะนั้นคนเราที่ตกอยู่ในฝั่งไม่ใช่ในกระแสน้ำเนี่ยมันจะเจอกับหนึ่งก็คือคือคลืน่นคลื่นก็คือลักษณะแรงกระแทกของอารมณ์ชื่อกระตุน้นโธสะ บางทีกระแทกรแรงๆนะก็เสียศูนย์เสียการสรงตัวเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้นําบ่นเราจะเห็นว่ามนุษย์เแต่มันจะบ่นในรูปเสียงกรีดรสัมผัสบ่ น, บน อ, ยอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆกินแล้วกินอีกอยู่แล้วอยู่อีกนะสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็นึกถึงคนที่ไปอยู่ตำบาตำผับก็อยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่ได้เป็นเป็นเดือนไม่ใช่ปีหนึ่งกับหลายวันนะหลายเดือนไปอยู่ตรง น, นไหน แล้วก็ทั้งซากจําเจเราเห็นว่าพวกนี้จะทั้งซากจําเจทั้งนั้นแหละแม้แต่สึกสงครามเลยมาจะทั้งซากจําเจก็ที่จริงก็เรื่องเดียวกันแต่ว่าสึกสงครามมันแรงกว่าแรงกว่าคือหมายความว่าโลภะก็แรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงเพราะฉะนั้นจึงผิดศีลได้ได้ทุกวันเลยศีลห้านี่ผิดหมดรวดทั้งวันเลยทุกวัน เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสดังนั้นอารมณ์คือคลื่นเนี่ยมันจะทำให้พัดหมุนแล้วคนก็บุนวนรูปเสียงกลินรถโพธฐพัสมารรหมายว่าอะไรก็ตามเนี่ยกำลังประกวดแหวนเพชรพวกนาฬิกงนาฬิกาเอามาประกวดประคันกันอะไรกันนักนะคือมันมันมีความจำเป็นมากมายขนาดนั้นจริงหรือ นาฬิกาไรเรือนเป็นเก้าล้านยี่สิบล้านปากการาคาเป็นล้านกระเป๋าราคาเป็นล้านกระเป๋าเล็กๆราคาเป็นล้านจะต้องสั่งทำทั้งสองปีสามปีคนร่าก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาคื อ, อยานที่มาบอกมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคือความคิดเราเป็ น, นานาดนีคขมเยอะพอคนร่า บ, บอกว่าดีแล้วเราไปแล้วไปหายไปแล้ว เราขาดหลักตรงนี้เพราะ ง, งั้นเราจะเห็นว่าในตรงเนี้ยอันตรายอย่างหนึ่งก็คือก็คือเห็นแก่ปากแก่ท้องแต่นี้ก็ข้ากฎมาเยอะแล้วนะเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กินเนี่ยข้ากฎมเก่เยอะนะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเพศตรงข้ามเหมือกาานกับปลาลายเห็นแก่ปากแก่ท้องเหมือนกับจระเข้น้ำวนเนี่ยเหมือนกับอารมณ์เนี่ยอารมณ์กรรมขุนเนี่ยก็เหมือนกันบน้ําวนและโทสะนี่เหมือนกับคลื่น พราะงั้นพระสารีบุตรเนี่ยท่านบรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นรับการยกย่องสูงสุดจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนที่สามารถแสดงธรรมจักประกาศธรรมจักได้เช่นเดียวกับพระองค์เพราะถ้าเราดูคำสอ น, นของพระสารีบุตรจะลึกซึ้งมากและจะเข้าใจยากเลยอย่างพระเจ้าท่านทรงสอนไม่ไม่ยากหรอกถ้าเอาเฉพาะของพระเจ้าเนี่ยจะไม่ยาก พระเจ้าจะปรับเว้นไว้แต่ว่าคนที่มีวุฒิภาวะสูงเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างในเทวตาสังยุติเทวดาท่านสติปัญญาท่านสูงเพราะงั้นรัศมีบางอย่างจึงค่อนข้างยากอย่างในพระสูตรแรกเนี่ยจะเห็นว่ายากแล้วก็ด้วยปัญญาด้วยสีเนะี่ยลองสังเกตว่า เ, เว้นสมาธิเอาไว้เพราะอะไรเพราะท่านพูดเป็นสัน แต่ผู้ฟังต้องเข้าใจนะฮะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่จริงก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าอะไรอาการมันเด่นนะสมมุติว่าเราลุกขึ้นไหวพระสวดมนต์เราก็เป็นศีลนะแล้วในขณะเดีวยวกันปัญญาเราพิจารณาเห็นคุณของการไหวพระสวดมนต์เห็นโทษของการไม่ว่าพระสวดมนต์ก็เป็นปัญญาแล้วพระสูวดบนใจสงบมันก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งแต่อาการเด่นมันคืออดัลอาการของศีล ผลสินสมาธิปัญญาที่จริงเราแยกแยกเด็ดขาดไม่ได้เหมือนกับกากระทัดทั้งหลายเนี่ยเช่นสมมตวิวาทัดินคือดินเนี่ยเราถือว่าทัดดินถามว่าในเนี้ยมีน้มไหมมีลมไหมมีไฟไหมมีอากาศไหมมันก็มีแต่ลักษณะเด่นมันเป็นดินเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าทัดดินต้องเข้าใจว่านี้คือเรียกตามลักษณะเด่นอย่างในการอธิบายเรื่องธาตุอ่ะ ธาตุดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุานั้นเรียกว่าธาตุดินธาตุดที่เอือบอาบซึมซับเลื่อนไหลไปมาได้เรียกว่าธาตุน้ำธาตุดายที่พัดหมุนไปมาได้เรียกว่าธาตุลมนะไฟที่ยังกายอบบุ่นไฟที่ทํากายสุดทรงไฟที่เผาอาหารนย่อยเป็นต้นเรียกว่าธาตุไฟแต่ก็ที่จริงก็มีธาตุดื่นอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าจะเน้นเอาจุดเด่นของเรื่องดอกนั้น นี้เราเจะเห็นว่าอนาฏบินทิกเศรษฐีกล่าวประจบตรงนี้พระเจ้าก็ะทรงอนุโมทนาบระถกต้องท่านก็ตัดเถรวันตรรษหายิถวายบังคมและอันตรธานไปเลยเพราะการปรากฏของเทวดาเนี่ยปรากฏท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเหยียดแขนข้าวเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกปรากฏตัวปับ๊บเสร็จเรื่องปุ๊บหายปั๊บเลย นี่คือคือเทวดาแต่วาถามว่ า, าทาไมเราไม่เจอละเพราะเรามันเทวดาเขาไม่ต้องมาเฝ้าหรอกคือโลกมนุษย์เนี่ยมันท่านบอกว่ามีกลิ่นปรากฏแก่เทวดาในที่ห่างไกลตั้งร้อยยดอดเพราะถ้าไมจําเป็นจริงจริงเทวดาจะไม่มาสู่โลกมนุษย์ที่ก็ามาสู่โลกมนุษย์ยามาด้วยกลิ่นศีลของพระพุทธเจา้าเพราะศีลรักยันโทนุตโรนะ กลนสีนี้ถือว่าเป็นกลิ่นที่ยอดเยี่ยมเขาก็มากภาพระพุติจ้าแล้วก็พระครูอาจารย์ที่เป็นอาจารย์กรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขาที่ประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันก็พบปะกับเทวดาถึงเป็นเรื่องธรรมเนีแต่ว่าท่านเหล่านี้จะไม่พูดเพราะาพูดเนี่ย คนกลุ่มหนึ่งจะไม่เชื่อแล้วจะเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นพูดบาปคิดบาปว่าพระพระเอาสวรรค์มาล่ออานนรกมาขู่ดังนั้นถ้าพูดเราก็เอาอย่างเงี้ยเอาหลักในพระเตยเปดตรมาพูดตัวเ ง, งี้ยคือจะไปเล่าตัวเองสัมผัสเองแต่าะไรไปเล่าไม่ได้ถึงคือสัมผัสก็เล่าไม่ได้หรือไม่เล่าแต่จะอ้างตำรับตำนาระเจนว่า ธรรมเทศนาเชนยกตัอย่างของธรรมุเทศสีเนี่ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ภาษาบกก็นามาเปิดเผยหรือพรามไม่ต่างไงวันนั้นสี่เนี่ยก็แน่นอนว่ารพระมารกระจายนะแสดงแต่ว่าจริงๆท่านก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้านั่นคือแบบของเขาเรียกแบบครู ก็วันก่อนที่ธรรมสภ า, าเข้ามาข อ, อาว่าจะติดต่อประสานงานยังไงอะไรไทยบอกว่าไ ม, ไม่ไม่มีประสานงานคือคืองานเขาออามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เราเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยแต่นั้นเองเราไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยทั้งอย่างเดียวว่นาโยมจะเอาไปเผยแพร่ ย, ยังไงจะเอาไปทำยังไงก็ทาไปแต่ว่าถ้าจะเอาไปขายก็อย่าให้แพงนักก็ช่วยขายในราคาเผายแพร่ ันั้นเบอรนี้ราจะเห็นว่าหรงพิมพ์มังกรก็ก็ะทำในรูปเล่มหว่าธรรมสภาเนี่ก็เอาไปหลายเรื่องและวก็เห็นว่าก็ได้ไประโยชน์ก็ก็ะทำตอนนี้เขาก็เอามุคละสูตรไปทำเป็นเล่มมันก่อนก็เอามาถาวาย ก, ก็จัดรูปเล่มดีนะฮะก็สวยงามแต่ว่าไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็เมื่อเอาไปเผยแพร่แล้วก็อย่าไปสงวนลิขสิทธิ์อีก เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะเป็นสมบัติของมนุษยชาติเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์อะไรไปสงวนนิ้าสิทธิ์ก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะแล้วก็มันเป็นประโยชน์แก่โลกที่เป็นองค์รวมหมายความว่าเราเองเราก็มีกําลังที่จะไปทําอย่างนั้นเป็นหนังสือแจกเรื่อยเราก็ไม่มีเงินอะไรขนาดนั้นตอนไหนแจกได้เราก็แจก ต้องเก็บสะสมกันพอสมควรนะกว่าจะได้ข่าหนังสือสักเล่มหนึ่งนแต่ว่าบางคนก็ไปช่วยเผยแผ่ในะลักณะ น, นั้นก็ดีฝัแนแนวตัวเนี้เราจะเห็นว่าอนานตบินิกาเศรษฐีอนันตบินิกาเทพปะบุตรก็มากราบทูดเราก็นํามาเผยแผ่ต่อหลวงพระเจ้บิดกอันตกราอะไรต่ละก็ช่วยกันเผยแผ่เพราะนี้คือพระพุทธาศาสนสุภาษิตนั่นเองทุกฝันเท่าไหร่ เสียงธรรมจากมาวิทายาลศีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามพบูรในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทลายดดูทักกันสวัสดี